ก็ พ, พูดเตาผู้ เ, เราหลงก็ว่ามันก็ถือว่าเป็นความชอบการป่อการสอนให้ทำความดีให้ละความชั่วให้ทำจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันสุดยอดของการศึกษาเรามีศาสนาเรามีพุทธศาสนา สมภัตศตย์งก้าวพระองค์เป็นพุทธศาส์เป็นอุปถัมภคผู้บำรงพระพุทธศาสนามีคณะสงฆ์มีพระราชบัญญั ต, ติในประเทศไทยมีอุบาสกมีบาสิกาพวกเราเป็นนักบวดอยู่วดวาอาราม <c oughs> ก็มี ผประชากลวอาจารย์มีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นี่ก็มีนักบวดมีพระสงฆ์มีสมณนสมณีนีมีแม่คี้มีอุบาสกมีบาสิกาวัดวาอารามที่เราอยู่ก็เป็นสถาบันก็ว่าได้มีกติมีศาลามี ที่ลงทานลงอาหารมีสำนักงานมีคลังสิ่งของไม่พ่อหุ่มไม่จีวรมียารักษาโรคมีไฟฉายมีเครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกแก่วพวกเราพวกเรามีสิทธิที่จะไปใช้ได้ไม่เสื่อหนเป็นลิขิทธ์ส่วนตัว ของที่อยู่ที่นี่เป็นส่วนรวมทั้งหมดหรือว่าเป็นของสงฆ์แล้วเราก็มีธรรมมีวินยัยอยู่ร่วมกันด้วยสามาธีธรรมสามัญลักษณะเสมอกันมีศีลเสมอกันทุกิวิธิมาที่นี่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมสแสวงหาสิ่งประเสริฐเรียกว่าอริยะ ปริเทศนาแสวงหาสิ่งกระเสฐคือมรรคผลนิพานการที่เราแสวงหาวิธีที่เราศึกษาก็มีแบบมีแผนมีพระศาสดามีพระพุทธเจ้ามีพระกรรมการยิ่งใหญ่คือพระสาวกอุดรูตาอพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐาน มีตัวมีตนแม่มพงศอาจาสดาของเราปฏิธินผ่านไปพระองค์ก็มอบให้ธรรมวินัยเป็นศาสตราแทนพระพุทธเจ้าธรรมวินยัยยังมีตัวมีตนแต่ทำรรบาปเองก็ย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำรรบาปเองก็หมดจดเองนี่เรียกว่าศรราสตราคือธรรมะ คือข้อวัดปฏิบัติพวกเราจึงไม่งมงมสาวๆเป็นขวามชัดเจนไม่สุ่มที่ไหนโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทรรมที่เราทำอยู่เจริญสติตามหลักที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เรามาจับเส้นทางเส้นนี้เพื่อไต่เต้าเพื่อเดินตามไป ให้เราจะเป็นผู้ศึกษามามากผู้โคงแก่เรียนมามากหรือผู้ที่ใหม่ต่อการศึกษาก็อันเดียวกันถือว่ารวมยอดรวมยอดของการศึกษาแต่เราจะเรียนประสูตรพระพิธรรมพระเวนยัยมันก็อยู่ตรงนี้ล่ะคือการเจริญสติขณะที่เรามีสติมันก็ แล้วควบชั่วแล้วขณะที่เรามีสติมันก็ทำความดีขณะที่เรามีสติกิจ ข, ของเราก็บริสุทธิ์แล้วถือว่ายอดของปฏิโมกสุดยอดยอดของปฏิโมกท์ทำอย่างเดียวมาเป็นพวงพวงควบถูกต้องอย่างแล้วความชั่วทั้งทำความดีทั้งทำกิจให้บริสุทธิ จเจริญสติสติมันก็มีเมื่อมีสติมันก็จะเห็นอะไรที่ไม่ใช่สติมากมายที่มันเกิดขึ้นขณะที่เรามีสติเหมือนที่เราลืมตามันก็ต้องเกิดการเห็นเมื่อเรามีการเห็นเราก็ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไหนมาไหนรอโลูกได้การเถียนของเราเมื่อก็บอกผิดบอกถูกบอกพิษภัยต่างๆที่มันจะทำให้เกิดการเสียหายแล้วก็ลอดพ้นมาด้วยสายตาตาภายในของเราคือสติสมชัญญะเนี่ย มันเป็นดวงตาภายใ น, ย ม, น, น, น Phillip. มันเห็นทั้งวัตถุมันเห็นทั้งนามธรรมวัตถุก็คือรูปทั้งหลายทั้งหลายเสียงทั้งหลายก็เป็นวัตถุกลิ่นทั้งหลายก็เป็นวัตถุรสทั้งหลายก็เป็นวัตถุอารมณ์ที่เป็นนามธรรมก็เป็นวัตถุเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งนามเก็บปวดเหมือนกันอารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นกับคิดเป็นใจเนี่ยอารมณ์ก็เจ็บใจเจ็บใจเจ็บปวดเป็นนามธรรมเป็นความคิดที่มันสายแสไปหาอารมณ์หาอาหารรูปรสกลิก่นเสียง ความโลภความโกรธความหลงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเรามีสติเราก็เห็นอู้เห็นอกโตตบทอกท่วมอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆธรรมาชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราเจริญสติอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องทำได้ทำไม่ได้ให เป็นการศึกษาเพียงว่าเห็นรู้แล้วอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกอย่าไปเอาสุขอย่าไปเอาทุกข์ความรู้สึกตัวจริงความรู้สึกตัวจริงๆแิ่จะเป็นคำตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติรู้แล้วก็กลับมาตัวรู้แล้วไม่ใช่เป็นคำพูด เป็นคำตอบของสติสัพพัญญาดูแล้วรู้แล้วนะมันวัยมันวัยมันเล้่วไปแล้วมันสุขมันก็เห็นมันเล้วไปแล้วมันก็รู้มาใหม่มันทุกข์ก็เห็นแล้วมันเล้่วไปแล้วความทุกข์มันหลงก็รู้แล้วมันเล้่วไปแล้วความหลงควรู้สึกตัวก็เดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ก้าวล่วงไปเรื่อยๆข้ามพ้นไปเรื่อยๆมันไปนะความรู้สึกตัวแนงมันไปถ้าจะเรียกว่าเราเป็นั้งปวดบวดมันก็ไปแล้วไปจากอะไรไปจากความผิดความทุกข์ความโลคความโกรธความหลงต่างๆคำว่าบวดบอ่อใบไม้บอแหวนชอช้าง เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษ า, บ, าบ้านเราก็เลยบอกไปจากความชั่วไปไหนไปสู่ความถูกความต้องความดีสู่ศิ้นสู่ธรรมสู่มรรคสู่ผลไปไกลถึงที่สุดถึงมรรคถึงผลจุดหมายปลายทางนะพระวชิระเนี่ยแปลว่าไปจากความชั่วนี่หันหลังให้ความชั่ว ท่านทั้งหลายพวกเราชาวพุทธยังถือว่าการบวชเป็นบุญใหญ่กว่าการทำบุญอืนอ่นๆเพราะคนจะเป็นคนดีคนจะเป็นคนดีถ้าเป็นลูกของพ่อของแม่ก็จะเป็นคนดีสั่งลาแล้วสั่งลาความชั่วแล้วพ่อแม่ได้ลูกเป็นคนดีก็สุดหอยใจแล้ว ศึกออกไปจนเรียกว่าทิตหรือบัณฑิตผู้รู้บัณฑิตแปล ว, ว่าผู้รู้แล้วผนจากความหลงไปแล้วผนจากความโกรธไปแล้วผนจากความทุกข์ไปแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นมาแล้วคนมาแล้วโดยพอภาาปฏิบัติสมบูรณ์แบบในการบวชพาให้เป็นนักบวชได้การเจริญสติเนี่ย ไปให้เกิดเป็นนักบวดได้อา้าวถ้าญาติโยมยังนุ่งกางเกงขาสั้นขายาวยังใส่ผ้าทงยังใส่เสือ้อผ้าก็าเป็นคุณธรรมเป็นบวชเหมือนกันแต่ว่าบวชเป็นคุณธรรมถ้าบวชที่เป็นสมมุติเหมือนกับพวกเรานะถ้าเข้าถึงคุณธรรมพอเรียกต่างกันไปเลยว่า เรียกว่าพระสงฆ์พระอริยเจ้าเป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นคำ ว, ว่เจ้าโจมก็เรียกพระอริยบุคคลไม่มีคำว่าเจ้าเหมือนพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็พระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวิรยาณ น, นวโร ล, ลด คือเป็นเจ้าถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าก็สมเด็จพระสังฆราชอะไรเพราะว่าไม่มีเจ้าถ้าเราเป็นนักปวดเป็นเพศทักปวดโคลนผมห่มจีวรถ้าได้บรรลุธรรมก็เรียกว่าพระอริยเจ้าถ้าเป็นครว่าเจ้าจมเรียกว่าพระอริยะบุคลคลก็ได้ทำเท่ากัน เป็นคุณธรรมเสมอกันหรือว่าสามัญลักษณะเสมอกันอันนี้สิทธิพวกเราแต่ว่านักปวดสะดวกกว่าคารวาญาตโจมหน้าที่โดยตรงเวลาก็เพื่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงถ้าเป็นนักปวดไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าใช้ชีวิตผิด คิดหน้าที่พอบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเราสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี่ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายออกบวชจากเลือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลือนแล้วเราอุทิศต่อพระพุทธเจ้าเราจึงมาบวชเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนใจเป็นทงไชยสะพัดวิววิวอยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่บวชเพื่อบนบานสารกล่าว พึ่งตอพะพัตนาตจเราจึงปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางการเจริญสติเป็นการเดินก้าวไปหาพระัตนาใจให้ถึงพรระัตนาใจจนเกิดพระัตนาใจในชีวิตเราพระพุทธพระธรมพระสงฆ์การเจริญสติเนี่ยควมรู้สึกตัว น, น, นี่เป็นหน่อโพธิเป็นหน่อพุทธะ เป็นหนอนะเป็นหน่อโพธิ์ปูกุกไปในกายในจิตของเราอย่างที่พูดเมื่อวานหน่อโพธิ์เนี่ยก็มีโอกาสงอกงามได้หบอาจจะไม่งอกงามแกนไปเลยก็ได้ถ้าถ้ารักษาไม่ดีเหมือนต้นไม้ขาดหน้าหรือเหมือนต้นก้าขาดน้ำ ต้นไม้ขาดตามต้นกล้าต้นอ่อนผูกอะไรทับผมมันก็ไง่งอกไ่งามต้องพอดีพอดีสมมเสมอเช่นการปลูกต้นไม้เนะี่ยแต่เล่งเกินไปให้ปุ๋ยเกิดไปก็เสียเสียนิดใสเสียนิดใสต้นไม้ให้ให้ใหจุ ด, จ, ดจนหย่อนบางทีก็ พอปลูกใหม่ให้ปุ๋ยบำรุอ ง, งอย่างดีพอต่อไปอีกไม่ให้ไม่ให้ปุย๋ยไม่ให้น้ำไม่ให้ปุย๋ยต้นไม้ตน้นเราก็เสียเนิ้อสอ่อนแอแกนไปเลยการทำอะไรก็ต้องมีความพอดีความเป็นกลาง อาต้นอ้อยที่เขาให้ปุ๋ยกันมากมากพอแร้งแล้วก็เหี่ยวตายไปเลยเหมือนโลกเหมือนคนโลความโลบด้อยเอาเก็บเอาอ น, นก็เป็นของกูของกูของกูพอสิ่งเหล่านั้นเสียหายไปเสียใจทำใจไม่เป็นหนักปวดอ่อนแอสุ ข, ขุมมรชาต ทำไรไม่ได้ขี้อ่อนแอกลัวครวญญาจมงอมืองอเท้าไม่ใช่นักปวดนักปวดต้องเข้มแข็งกว่าญาติวโยมชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตที่เข้มแข็งชีวิตของพระสงฆ์เป็นชีวิตที่เข้มแข็งไม่ใช่อ่อนแ อ, อการใช้ชีวิตก็ เกี่ยวข้องกับสิ่งไหนก็ถูกท่าไม่เข้มแข็งอย่างเราสวดตังค์นกาประ จ, จริกการเกี่ยวข้องกับจีวร น, นุ่งห่มเพื่อบังบัดความหนาวเพื่อบังบัดความร้อนเพื่อป้องกันกเหลือบจงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพื่อปิดเาไา ว, ว, วิญญนณให้เกิดความละอายเท่านี้ไม่ใช่หรูหราโก้สวยงามเพืออ่ออวดเพื่ออ่างใคร อาหารบิณา บ, บาตเพื่อบันเทาขวมเหิวเพื่อบันเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อมีความผสุกเพื่อประพฤติพรหมาจรรย์ในชีวิตเพื่อประพฤติพรหมาจรรย์ไม่ใช่เพื่อลาบสักะุะเสียงเสรินเยินยอไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก็ป้องกันร่มแดดและสัตว์เลยขานเพื่อ ดินฝ่าอากาศฝนตกแดดต่อเพื่อบําเพ็ญภาวนาหลบปลีนี้หาหมุมสงบให้กับตัวเองไม่ใช่เพื่ออยู่ผู้คงสะดวกมีน้ำมีไฟมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอํานวยความสะดวกไม่ใช่เพื่อบําเพ็ญภาวนาอยู่ที่ไหนเพื่องานนี้เพื่อภาวนาแอ่ เจ็บไข้ได้ป่วยยารักษาโรคเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแล้วมีอาภารต่างๆเป็นมูลไม่ใช่หาอยู่้ายามากินเพื่อบำรุงอย่าดอง น, นั่นยายินนี่เวทนามันมีจึงใช่อยู่ค่ยาถ้าไม่มีเวทนาอาภารฉันยาลงไปเพื่อพุ่มป่วยเป็นอบัตกินอยาโน่นกินยานี่ไม่ใช่ เราก็เหนือแล้วมาแบบเหนือเหนือทำไปไหนไม่ไม่หลงกับสิ่งใดยิ่งพวกเรามาปฏิบัติเสริมเข้าไปเกี่ยไปเลยเบนชีวิตเราบริสุทธิ์ไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันสร้างภพมจร บริสุทธิ์ทางกายทั้งกิตผมรู้สึกตัวเห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งใดมันหลงเห็นมันหลงความหลงไม่ได้เพื่อนแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เพื่อนแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธมันมีกิเลสตัณหาละคะเห็นมันไม่เพื่อนแล้วนั่นแหละพรมยจันทร์ภาวะที่เห็นที่ดูแล้วก็รู้สึกตัว แสดงว่าอาบลา้างไปแล้วบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้ปท ง, ปทงปัญญาศีลทําให้บริสุทธิ์สมาธิทําให้บริสุทธิ์หมดจดปัญญาทําให้สะอาดหมดจดหลุดพน้นเพื่อหลุดพน้นเห็นความหลงหลุดพน้นจากความหลงเห็นความโกรธหลุดพน้นจากความโกรธเห็นความทุกข์หลุดพน้นจากความทุกข์ เห็นอะไรที่มันเป็นอาการเกิดขึ้นกับกายกับใจตัวสติตัวลู่สึกตัวตัวเห็นเข้าไปรองรับเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นนายวานรบานเป็นนายประตอะูอะไรที่มันมีเกิดขึ้นภายใ น, ในกายในจิตใจของเราชาระชาระถ้าเห็นแล้วมันก็หลุดไปเลยมันอยู่ไม่ได้มันไม่ ดื้ออะไรเท่าไรรอกกิเลสตนหาราคะความชั่วอกุศลธรรมทั้งหลายมันขี้แพ้อยู่แล้วไม่มีท่าเห็นความลงเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวเนี่ยความหลงไม่มีท่าเลยไม่มีท่ามันไม่ดื้อด้านอะไรความรู้สึกตัวเนี่ย ความรู้สึกความระลึกได้เนะี่ยมันเป็น ร, รมที่ชำละอะไรอะไรก็ได้เหมือนกับเสื้อผ้าที่มันติดสิ่งสกรปรกโสโครกไม่น้ำยาซักพอกมันอยู่ไปได้ความสกรปรก มันไม่ใช่เนื้อผ้าก็ความบริสุทธิ์พร้มหมดจดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็รักษาธรรมชาติความบริสุทธิ์ในไว้เดี๋ยวนี้เราไปใช้ชีวิตแบบอ่าซุกซุกสนสนไปเปื่อยไปเพื่อเลยไม่เคยดูไม่เคยแหลกบางทีใจติดมามา ก, มากบ้างน้อยบ้างสําหรับชีวิตเรา เป็นจริีดนิดสัยเป็นจฉลี่นิสัยพอมารู้จักตัวมารู้จักตัวก็ยิ่งดียิ่งดีมากจะได้บทเรียนจะได้ประสบการณ์กับภาระปัญหาต่างๆจะได้ไปบอกไปสอนคนเ อ, อเขาเกิดอะไรเขาเป็นอะไร เราก็เคยผ่านเคยพ้นมาแบบนั้นอย่างคนติดเล่าพอมาปฏิบัติธรรมก็เล่ามันก็โชติดบุรีปุรีมันก็โชมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นนิโคตินมันเสพติดมันมีสารมันมี น, นิโคตินมันมีเข้าไปอยู่ในสายเลือดก็โช พอเขาอดเขาพ้นไปเขาก็จริงเวลาไปสอนคนเขาก็สอนได้งั้นสมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่มไปสอนเครือติยาเสพติดมีเข้าไปได้ค่ายตำรวจด้วยเข้าไปได้แหล่งยาเสพติดจับมาสอนไปด้วยกันกับพระราวาสคนนั้นฆราวาสนั้นเขาก็เป็นคนติดยามากอ่อนเขาเลิกได้ เขเลิกได้เขาก็ไปศอนเวลาเขาสอนเขาเคยเป็นขี้ยาไปสอนขี้ย่าขี้ยาฟังคําพูดของเขาก็าาชอบมากหอยใจเวลาหลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่เป็นขี้ยาไม่ได้สอนธรรมะพอสอนเขาเขาก็าง่วงเขานอนพอขี้ยาสอนเขาอุ้ยตาสว่างขึ้นมาเลยอพอพูดจบลงไปเข้ามา เขาลบเป็นแถวแถวคนที่มีประสบการณ์ความเร็วร้ายต่างๆ <c oughs> เขาชนะได้เนี่ยประสบการณ์ของเขาไปบอกไปสอนชีวิตเราก็เหมือนกันดีแล้วที่มันเกิดอะไรขึ้นมากๆจริตนิสัยแบบไหนราคาจริตโทสะจริตโมหจริต เราจะได้เห็นเลยได้ผ่านพน้นได้โดยวิธีนี้วิธีนี้อา้าววิธีไหนก็ตามจะเป็นรลาัคาจริตโทษสจริตโมหจริตสติสมะชัญญาทั้งนั้นไม่ใช่วิธีอื่นบางทีเขาก็บอกว่ารลาัคาจริตต้องเพ่งอสุภกรรมฐาน โสดาจริตต้องแผ่เมตตาโมห oh ิจริตต้องเจริญสติเป็นคู่ปรับไม่ไม่ใช่เอาความคู่ปรับคือความรู้สึกตัวอย่างเดียวไปได้เลยหลุดสบายมากจะไปเพ่งอสุภาษกรรมฐานอสุภาษก็คือเห็นความคิดมันน่าเกลียดมันหลงความหลงนี่แหละเป็นอสุภกรรมฐานไม่ใช่ไปอวสหศ เคยมีเพื่อนกรรมฐานสมัยเป็นหนุ่มเขาบอกว่าเขาจะทำหนังสือกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณจะทำแบบไหนละ่ะจะอยากได้สุขผู้หญิงสาวสวยตายสดๆจะทายเอาจะถายเอาต้องโป้ต้องเปยให้มัน <c oughs> ขึ้นตืดให้มันเน่าให้มันเละให้มันกระจุยกระใจจนเหลือแต่กระดูโอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่อสุภาพแบบนั้นอะอสุภาพจริงมันหลงนี่แล้วหลงก็คิดไปก็บรูงแต่งเป็นกิเลสตัณหาไม่ใช่ไปเอาภาพแบบนั้นภาพแบบนั้นก็ได้แต่ว่ า, ามันไม่จริงของจริงมันเกิดจากความหลง มีสติเข้าไปเห็นมีสติเข้าไปเห็นเห็นความหลงต้นตมันก่อนที่จะมันจะเกิดลาคาจลิตมันต้องเกิดความหลงก่อนที่จะมันโทสะจลิตมันต้องเกิดความหลงก่อนที่จะเป็นโมหะจลิตเนะี่ยโมหะจลิตเนี่ยตัวตัวแปรที่ทำให้เกิดโลภโกรธหลงกิเลสทันหาล า, าคะาเกิดอิจฉาเบียดเบียนได้เพราะตัวหลง ปวบตัวหลงคือความรู้สึกตัวพอดีกันเลยกับพวกเราที่มาสร้างอยู่เนี่ยที่เรามาสร้างเนี่พอดีกันนะมาทีไรก็ปับทันทีเลยตัวรู้ตัวห ล, ลงไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลอะไรได้ง่ายๆปฏิบัติธรรมได้หลักอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบุกเบิกให้พวกเราใช่ไปเลยใช้วิธีปฏิบัติไปเลย พูดก่อนทำก่อนคิดรู้สึกและเลือกได้ใช่ตรงนี้เลยมันไม่พูดไม่ทำไม่คิดก็รูปเป็นฐานกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานมันเป็นการกระทำอยู่แล้วมันเป็นที่ตั้งไว้อยู่แล้วมันตั้งไว้อยู่แล้วสมบูรณ์เราก็มีจิงเกีรูปของเราก็มีจิงเกีเอามาทำเอามาสร้างกรรมฐานมาสร้างตัวรูปมัาก็สร้างได้ ไม่ใช่สร้างไม่ได้ไม่มีใครทำไมได้เลยพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้เราเอามือวางไว้บนเขา่าเราก็รู้ว่ามือเราอยู่บนเขา่าถามใครก็รู้กันทั้งนั้นเราเอามือวางไว้บนเขา่ามือคนอยู่ไหนเขาก็ตอบได้ว่ามืออยู่บนเขา่าอะไรที่รู้ว่ามืออยู่บนเขา่าเป็นความรู้สึกตัวเพราะนั่นแหละสติ เขาก็ตอบได้เรียกว่าปฏิบัติได้ให้คนได้ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในสิ่งที่คนเราทำไม่ได้สมบัติของคนเรานี่แหละผมรู้สึกตัวความหลงไม่ใช่สมบัติของเราหกเป็นความชอบทำที่สุดแล้วผมรู้สึกตัวนะให้พากันกระตือลือล้นสักหน่อยอย่าทอดทิ้งอย่าทิ้งหน้าที่ กายของเราใจของเรานะสมบัติของกายของใจของเราคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวนะอย่าไปปล่อยให้ความหลงมอครองกายครองใจหรอกมันเสียโอกาสมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นธรรมต่อกายต่อใจมา ก, อก่อกู้มาใช่สิทธิ อันชอบทำให้กับชีวิตเราถ้าเราไม่ใช่ชีวิตให้ชอบทำแบบนี้ไม่ไม่มีประโยชน์เสียชาติเสียค่าน้ำนมเสียการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ปรารถนาที่จะให้เราเลี้ยงลูกให้สำเร็จบัดนี้ต่อยอดพวกเราพ่อแม่ลงทุนให้พวกเรา เป็นผู้เป็นคนเป็นควางพร้อมมาถึงปานนี่แล้ต่อยอดให้พ่อให้แม่เอามาทำความดีไปต่อยอดไปเลยเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีมาปฏิบัติทำนั่นก็เป็นผลกระทบต่อพ่อต่อแม่ด้วยในทางที่ดีนะแต่เราไม่ต่อยอดตรงนี้เเสียแรง การมีชีวิตที่เกิดมาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสูตรอยู่แล้วมันมีสูตรอยู่แล้วกายานุปัสสนามีสติเห็นกายอ่าทำไงมันจึงจะเห็นนี่แหละอริบุตรสิบสี่จังหวะหลวงปู่เทียนในยุคนี่สมัยนี่เป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการสอนให้คนมีความรู้สึกตัว ในการสอนเรื่องสติสมัญชัญญ์มีตัวมีตนหลงวงพ่อก็เห็นได้เห็นกันตาต่อตาปากต่อปากพูดให้ฟังสอนบอกเราตรงตงเข้าไปพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นาศสาสตราได้วางหลักอันนี้ไว้มีผูท้ทําตามได้ผลผ่านมาแล้วสอง0ันห้าย กว่าปียังเป็นมักเป็นผลไม่ว่างจากไหนสเกเมพิก เ, กพเวพิกษุสัมมไว้ไห้เลยงอรุณสุญโยโลโกโอรหันเติเหตสักภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยโชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันนี่แหละอยู่โดยชอบคือมาเจริญสติเนี่ยแล้วพวกเราก็จงใจ ที่สร้างวัดสร้างว่าญาติโยมให้ความบูรพธรรมเพื่อให้พวกเราได้อยู่โดยชอบไม่ต้องไปทาอาหาพจินเดอไม่ต้องไปค้าไปขายที่ไหนไม่ต้องคนขวยเรื่องอื่นทำไม่ได้ผิดวิ่ไหนไปข้าไปขายไปค้นขวยหาลาบสักลาไม่ได้ เขาอุปรรมบำรุงองวัดป่าสุกตเอ้าห้าร้อยไล่มีกติอยู่คนละหลังรูปละหลังเขตอุบาสิกาเขตพระภิกษุสงฆ์ม่ผูกปรุงอาหารม่บินทบบตมีกิจกรรมมีวิจิตวัดวิธีวัดตื่นขึ้นมาก็มาร่วมกันสวดมนต์บ่อยพระ สาธยายธรรมให้ตัวเองผลร้อมก่อนสวดสิ่งที่เราสวดเป็นการเป็นธรรมที่ทําให้เกิดเป็นพระละหันนะเราสวดธรรมะทําให้เกิดเป็นพระละหัน์ได้อา น, นาตตะละคณะสูตรวางบทต่างๆที่เรามาสวดลําดับมาแล้วก็แปล มันจเจริญมาถึงปัจันนี้แล้วแต่ก่อนนี่ธรรมวัดไม่ค่อยแปลหรอกมอถึงยุคเกีย่ยวคนพุทธธาตุอาจารย์พุทธธาตุเนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยการแปลหนังสือธรรมวัฒน์สนมนมีสองลูกอาจารย์พุทธธาตุกับอาจารย์มหาธนิษ์อาจารย์มหาธนิตฐ์เนี่ยรเรียนเก้าประโยคอาจารย์พุทธธาตุปเปลียนสามประโยคถ้าจะว่าแล้ว อาจารย์พุทธทาสเนี่ยเพราะที่สุดเช่นภาวะตัวศพพังังกระังด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าท่องปวงเป็นเป็นอาจารย์มหาเทนิดแปลแต่อาจารย์พุทธทาสว่าด้วยอนุภาพของห่งพระพุทธเจ้าอมันเพราะดีไม่ต้องท่งปวงเอา สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงอาจารย์พุทธทาสบอกสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมมันโก้มันไปได้สวยเนี่ยตัดทั้งปวงออกเนี่ยมีสองโรบที่แปลให้พวกเราสวดส่วนมากก็แพร่หลายเป็นของอาจารย์พุทธทาส เราก็สวดโอ้สวดเราเราก็แปลเราได้เรื่องได้เราพุทโธโอ้ผู้ลู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครเป็นผู้ลู่ใครเป็นผู้ตื่นใครเป็นผู้เบิกบานก็เรื่องของส่วนตัวเราไม่ใช่ว่าเป็นภาษานกแก้วนกขนทองอะไรทำให้เราลู่ตื่นเบิกบานคือความรู้สึกตัวน่ะเนยเรามาปลูกเนี่ยพุทธะพุทโธเนี่ยลู่ศึกลู่ศึกลู้สึกนะ่ะ พุทธะเกิดขึ้นตรงไห น, นเกิดขึ้นที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่อยู่เกิดอยู่สีมหาูโหธิก็คือตัวสติตัวปัญญาเป็นภาษาธรรมได้ทั้งภาษาธรรมได้ทั้งภาษาคนโหธิคือตัวสติปัญญาไม่หนีจากที่นี้ ไม่หนีจากสติปัน ส, ส, สติสมชัญญะลองดูผู้ใดเจริญสติสมชัญญะต่อเนื่องเจดวันถึงหนึ่งวันถึงเวันว น, นี่ยอนิสงส์เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์หนึ่งเดือนถึง7 เ, เดือนหนึ่งปีถึง7ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่า่าย แล้วเหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าไายต่อเราด้วยเราพิสูจน์กันหรือเปล่าทเราฐานะเป็นพุทธบริษัทถ้าใครไม่พิสูจน์ตรงนี้เนี่ยประโยชน์จากการมีพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยมากแต่เรามาพิสูจน์ตรงนี้เราโออเอาวะนศาสนา ค, คือเราเน่ไม่ ไม่หลงไม่ทุกข์เราก็ไปช่วยบอกช่วยสอนกันต่อไปมันโอดไปได้พุทธโธตัวเีรู้ตื่นเบิกบานพอเราเคยมั่วหมองเศร้าหมองไม่ตื่นไม่เบิกบานพ้นออกมาได้พ้นออกมาได้ก็าาคิดถึงมีความเมตตากรุณาอยา ก, กไปบอกคนดูอย่าลองพ่อเทียนสอนให้เรารููจากรูปน้ำเนี่โอ้ยรสชาติรสชาติของ ไปพบเห็นรูปตามรูปทำนำทำานโอ้ยอยากไปสอนคนอื่นให้เขารู้อย่างนี้เหมือนหลวงพ่อเทียนสอนเราจิตใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาแต่ก่อนเป็นครึ่งผีครึ่งคนวอนนี้พ้นจาความเป็นคนมาเป็นมนุษย์บ้าง ถ้าไม่รูปรูปรูปนามยังเป็นขดมันจะเป็นมนุษย์ตอนที่มาลูยจากรูปทำนามทำสามารถเป็นพระได้ไงเนี้มนุษย์โซสิเวลาเราไปโบสถอุปัชฌาถามธมวิาอาจารย์ถามมนุษย์โซสิเป็นมนุษย์หรือยังเราก็อามาพันเตเป็นมนุษย์แล้วเออถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นพระได้ถ้าเป็นคนอยู่ยังเป็นพระไม่ได้ ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์หมายถึงกิจมีสติมีศีลมีสมาธิละผิดชอบละความดีเพียรที่จะละความชั่วทําความดีนี่ไปทางสูงสูงคนนี่ไปทางต่ำต่ำความคิดก็คิดไปต่ำต่มนุษย์เนี่ยเขาคิดไปสูงสูงคิดถึงศีลถึงธรรมละความชั่วทําความดีเอากายมาทําความดีเอากายมาละความชั่วเอากิจใจมาทําความดีเอากิตใจมาละความชั่วทําได้สําเร็จ มันก็ทำได้สำเร็จจริงๆเอารูปเอานามมาละความชั่วเอารูปเอานามมาทำความดีแต่คนเนี่ยเอารูปเอานามไปทำความชั่วความหลงมากกว่าความรู้แต่คนนะหลงที่มันหลงมากที่สุดขึ้นหลงไปในความคิดพอมามีสติเห็นตัวหลงเกิดจากความคิดเนี่ยโอ้เปลี่ยนตรงนี้อีก ชนะตัวเองชนะตรงนี้ชนะตรงที่มันหลงไปควบคุมคิดไม่หลงอีกตัวไปแล้ว น, นี่ชนะชนะตัวเองอ่าแต่ก่อนแพ้ก็แพ้ตรงนี้แพ้ตัวเองก็แพ้ตรงนี้ชนะตัวเองก็ชนะตรงนี้มันสุดยอดนะการชนะตัวเองแต่แพ้ตัวเองก็เศร้าหมอง พอมาชนะตรงนี้หรอเปลี่ยนไปเลยเบาวิวเอวิตจิตใจของเรานะเห็นไหยเห็นมันหลงแต่ทางความคิดไหนเห็นทุกคนไม่มีใครไม่เห็นมันยังเห็นมากอก็ลู่เอาลู่เอามันหลงเท่าไหร่ก็ลู่เอาลู่เอามันก็ทําได้มันก็ทําไ ด, ได้ความหลงเน่ย มันทําให้มีชีวิตชีวาเมื่อเราลู่สึกตัวให้มันหนับใจกับความลงไปลู่สึกตัวลู่สึกตัวต่อไปไม่มีโอกาสเหี่ยวแห้งนะเหมือนกันนะ่ะความลงนะเหี่ยวแห้งหมดเชื่อไปเลยความลงที่เกิดจากความคิดความคิดที่เกิดจากความลงไม่ได้ใช่เลยในแต่ความรู้ที่ไปอยู่กับกิจ แต่ก่อนเขายึดครองไปหรือว่ากลุ่มพันหรือว่ายักษ์มันเอาชีวิตจิตใจของเราไปครองอยู่ความหลงเกิดขึ้นจากจิตใจมากที่สุดปานว่าศินใสสีโหรสังทองตามเอานางสุบนทธากลับคืนมาสุมนธา แต่ก่อนเป็นสุมนทาต่อมาเมื่อไปอยู่ในยักษ์เราก็เป็นมนทามนทาแปลว่ามณทินสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายแปลว่าบริสุทธ์ต้องเอาคืนมาเอาคืนมาเอากิตที่บริสุทธิ์คืนมาอย่าปล่อยให้มันไปหลงไปโกรธไปทุกข์มันเป็นผลกระทบต่อสูวนรวม ถ้าเราไม่หลงตรงนี้เราก็เป็นผลกระทบตัวชนรวมในทางที่ดีแต่เย็นบ่เคี่ย้องอยู่